เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายครั้งที่แรกวาดภาพที่นี่ไว่น่ากลัวนะมาจริงๆแล้วที่นี่เขาสวยนะเหมือนโรงแรมเลยเขาสว <c oughs> พวกเราไม่ได้เป็นสมาชิกที่นี่ส่วใญนี่หัวข้อที่ให้หลวงพ่อเทศเรื่องพัฒนาสติปัญญา ปีไกลนะนิมนมมาเรื่องพัฒนาสติหลวงอเลยแซวว่ามีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจรู้ทันอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจด้วยถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจหรือไม่เข้าใจตัวเอง คือง่ายๆเราไม่เข้าใจตัวเราเองใจมันจะมีความอยากเกิดขึ้นมีความดินน้นรนเรายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นในกายในใจไม่ได้ใจจะดิ้นไปด้วยน่าจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมานะเพราะว่ามันปฏิเสธสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่อย่างบางคนเราแก่เรายอมรับไม่ได้ว่าต้องแก่เราก็ทุกข์ เราเจ็บไข้ได้ป่วยเรายอมรับไม่ได้ว่ามันจะต้องเจ็บป่วยเราก็ทุกเราจะตายเรายอมรับไม่ได้ว่าจะต้องตายแล้วเราก็ทุกหรือเวลาเราพลาดพลากจากคนที่เรารักเราเจอสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบใจเรายอมรับไม่ได้แล้วเราก็ทุกทำไมยอมรับไม่ได้มันพื้นฐานเลยมันมีตัวเราอยู่มีเราเราก็มีตัวเราแล้วก็อยากให้เราเนี่ยมันดี อยากให้เรามันมีความสุขตลอดการล่มความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวงั้นที่เราหัดมาเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมันถูกบีบคั้นไม่ใช่เป็นภาวะที่อยู่ลอยๆสบายใจตลอดการ ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์แล้วก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวไม่ว่าความดีหรือความชั่วความสงบหรือความฟุ้งซ่านก็ล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้สลายตัวนี่เป็นความจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเรียกว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่อยากให้เป็น แล้ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้แนละมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตกนะ็คือความจริงของกายของใจได้อย่างนี้นะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความบีบคั้นเนพะื่อให้สลายตัวไปแลก็เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งถ้าเห็นได้อย่างนีนะ้ใจยอมรับความจริงได้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันของชั่วคราว สักวันหนึ่งก็ต้องหายไปความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าของโช่วคราวถึงเวลาหนึ่งก็หายไปเราได้อยู่กับคนที่เรารักเราก็รู้ว่าเป็นของโช่วคราวอยู่ได้โช่วคราวหรือเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเราก็รู้ว่าอยู่โช่วคราวถึงวันหนึ่งก็ผ่านไปทุกอย่างมันผ่านไปหมดนี่มาเรียนรู้นะเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราในกายในใจของเรา เ, ราเานี่ยของช่วคราวตอนนี้ มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้ายอมรับความจริงตัวนี้ได้ความทุกข์ในใจจะไม่เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขหายไปเรื่องธรรมดาความทุกข์มันจะมานะเราก็รู้มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปเรื่องธรรมดาร่างกายนี้ก็อยู่ได้ชั่วคราวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเคยได้ยินคาว่าธรมธรมะธรรมะเรื่องธรรมดา ยอมรับความเป็นธรรมดาได้ใจก็ไม่ดินรนไม่หิวโหยไม่ทุกข์ต่อรมานางั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมนะจุดสุดุดสุดท้ายที่เราจะได้เราจะได้ความสุขความสงบในจิตใจนะร่างกายของเราก็มีความทุกข์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ใจเนี่ยไม่ทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าคนทั่วทั่วไปนะเวลาถูกยิงด้วยลูกธนูเนี่ยถูกสองลูกต่อกัน เวลามีความทุกข์ในกายเกิดขึ้นก็ต้องแถมทุกข์ในใจด้วยบางทีร่างกายยังไม่ทันจะทุกข์นะก็มีทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเียถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะพัฒนาสติพัฒนาปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นธรรมดาของกายของใจของชีวิตความทุกข์ทางใจมันจะไม่เกิด งั้นเราจะมาเป็นชาวพุทธนะสิ่งที่เราจะได้มาสุดท้ายก็คือเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะเหลือแต่เฉพาะทางร่างกายแต่ทางใจจะไม่ทุกข์เราตัดต้นต่อของความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจมาจากความอยากทำไมอยากะเพราะว่าเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นตอนนี้ไม่ได้อย่างเราไม่สบายร่างกายไม่สบายก็อยากให้หายเร็วๆนี่จะทุกข์ทางใจเกิดขึ้น เราเจอคนที่เรารักเราก็จะต้องสูญเสียไปเราไม่อยากสูญเสียความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจคนที่ไม่ชอบใจเราอยากให้หายไปเร็วๆความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ทางใจมาจากความอยากความอยากมาจากการที่ไม่เห็นความจริงของชีวิตนั่นเองงั้นเราต้องมาพัฒนาสติพัฒนาปัญญาของเราจนจิตใจเรารู้ความเป็นจริง ความเป็นธรรมชาติธรรมดาของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเราก็าเห็นตามความเป็นจริงนะใจจะคลายความยึดถือสุดท้ายจะพ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์ก็คือมันหมดความยึดถือในกายในใจนี่เป็นเรื่องเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยนะไม่มีใครสอนได้เนยกเป็นแต่พระพุทธเจ้าสอนนะให้เราเรียนรู้จเจริญสติจเจริญปัญญาไป จกนกระทั่ทงมันเห็นความจริงของกายของใจก็เห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะมันปล่อยจิตปล่อยร่างกายออกไปได้นะจิตปลอยตัวจิตเองได้ด้วยเนี่ยอศัศจรรย์ที่สุดเลยเวลาสภาวะที่จิตปล่อยวางตัวเองได้นะครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่านะโลกกระเทือนเลยโลกกระทาสะเทือนนะมันเป็นของอศัศจรรย์ นี่พวกเราค่อยๆฝึกไปขั้นแรกเราจะมาปล่อยวางกายวางใจยังปล่อยไม่ได้หรอกค่อยๆฝึกปล่อยอารมณ์ก่อนเวลาความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะหรือจิตไปรู้อะไรเข้านะจิตชอบไหลเข้าไปเกาะสิ่งนั้นเีตว่าไปยึดตัวอารมณ์สิ่งที่จิตไปรู้ถ้าถ้าเราค่อยฝึกนะเราเห็นเนีจิตมันเคลื่อนเข้าไปยึด รูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดเรื่องราวที่คิดมันจะเห็นจิตเข้าไปไหลเข้าไปยึดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเห็นสิ่งจิตไหลเข้าไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมือความคิดนึกทางใจมันจะปล่อยรูปปล่อยเสียงปล่อยกลิ่นปล่อยรสปล่อยสัมผัสทางใจออกไปได้นะสัมผัสทางกายทางใจปล่อยออกไปได้นี่เรียกว่าปล่อยวางอารมณ์นะ ขั้นสูงขึ้นไปมันจะปล่อยวางความยึดถือกายสลัดคืนกายให้โลกไม่ยึดถือกายแล้วต่ไปร่างกายจะแก่ก็เรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บก็เรื่องของร่างกายเรื่องกายจะตายก็เรื่องของร่างกายรักษาได้ก็ให้หมอรักษาไปรักษาไม่ได้ก็แตกสลายไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่หวั่นไหวไม่มีความทุกข์เพราะว่าเสียดายร่างกายนี้น่าฝึก สุดฉีดไปแล้วนะีจะปล่อยวางความยึดถือทางใจได้กระทั่งใจยังไม่ยึดถือนะอารมณ์ทางใจก็ไม่ยึดถือไปด้วยนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเนี่ยไม่ทําให้จิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวได้เลยจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากการเสียดแทงของสุขของทุกข์ของดีของชั่วทุกสิ่งทุกอย่างไปจิตใจเข้าสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่มีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนได้อีกเนะนี่ยเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้า วันหนึ่งข้างหน้านะถ้าพวกเราไม่ลาเลยไม่ท้อถอยสะก่อนค่อยเรียนค่อยรู้ไปนะวันหนึ่งก็จะมาถึงจุดที่หลวงพ่อบอกเนี่ยอย่างตอนนี้พวกเราจำนวนมากเลยที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอนะไรเนี่ยฟังซีดีไปค่อยๆสังเกตร่างกายสังเกติ ต, ตจใจตัวเองนะเดือนสองเดือนสามเดือนอนะไรเนี่ยสามารถปล่อยอารมณ์ได้เราแยกได้ว่ารูป ก็ไม่ใช่ตัวเรามีของข้างนอกเสียงก็ไม่ใช่ตัวเรากลิ่นรสสัมผัสทางกายไม่ใช่ตัวเรามีของแปรปลอมเข้ามาเรื่องราวที่คิดทางใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตมันคิดกรุงแต่งขึ้นมามันปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องราวที่คิดได้นี่ปุถุชนก็ทําได้อันนี้แต่ถึงขั้นปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเนี่ยอย่างต่ําพระนาคาจะปล่อยวางกายได้ พระหันเท่านั้นให้ปล่อยวางความยึดถือจิตได้เป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้านะทำได้จริงๆถ้าทำนะวิธีทำท่านก็สอนเอาไว้แล้วนะท่านเคยสอนบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระลหันท่านสอนอย่างนี้งั้นเราก็มาเรียนรู้วิธีเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานนั้นก็มีสตินะระลึกรู้ร่างกาย มีสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจมีสติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจมีสติระลึกรู้กระบวนการทํางานนะของกุศลและอกุศลของรูปธรรมและนามาทำเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ไปเรืรู้กายรู้ใจนะพูดง่ายๆถ้ามีสติรู้ไปเรืยวันหนึ่งก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเพะั้นสติปัฏฐานเนี่ยมี2ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเนะี่ยเราฝึกเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ความสุขความทุกข์รู้กุศลอกุศลรู้ะบวนการของรูปธรรมนามธาทำนะเพื่อให้เกิดสติสุดท้ายฝึกไปเรื่อยนะยเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจงั้นเบื้องต้นเราฝึกให้มีสติซะก่อนนะเบื้องปลายก็จะฝึกให้มีปัญญาวิธีฝึกก็ไม่เหมือนกันแต่ต่อเนื่องกันวิธีฝึกให้มีสติ พวกเราพูดคำว่าสติอยู่เสมอนะแต่สติที่พวกเรามีเป็นสติโลกโลกมันไม่เคยเป็นสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานต้องเป็นสติรู้กายรู้ใจถ้าเป็นสติโลกๆกก็เป็นสติที่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีๆอย่างเราอยากทาบุญอยากใส่บาตรอยากฟังเทศอะไรเงี้ยถ้าจิตเป็นจิตที่เป็นกุศลมีสติทางโลกเอามาคําว่าสติมาใช้นะต่ามากเลยอย่างเช่นขับรถ ขับรถไม่ตกถนนนึ่บอกมีสติดื่มสุราแล้วไม่เมาวาดเขาบอกดื่มอย่างมีสติถ้ามีสติจะไม่ดื่มนะไม่ใช่ดื่มสุราอย่างมีสติอะไรเงี้ยนะเอาคําว่าสติมาใช้ในทางไม่ถูกนะนี่การที่จะฝึกให้เราเกิดสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจทํำยังไงสติเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราสั่งให้เกิดไม่ได้าสติเองเป็นอนัตตาเราต้องทําเหตุของสติ อะไรเป็นเหตุของสตนะิการที่จิตจำสภาวะของรูปธรรมนา ม, มาทำได้แม่นยำจะทำให้สติเกิดเองเมืนะ่อเราสั่งสติให้เกิดไม่ได้งั้นอย่างมีป้ายเตือนว่าทำอะไรให้มีสติให้มีสติสติไม่เกิดสั่งมันไม่ได้วิธีให้สติเกิดมีทางเดียวนะหัดรู้สึกตัวขึ้นมาหัดรู้สึกตัวขึ้นมาคอยดูกายคอยดูใจมันทงานไปเรื่อย จิตมันจําสภาวะของกายของใจได้แม่นนะอะไรแปลกปลอมขึ้นในใกายในใจนะมันจะรู้เองตรงที่มันรู้เองนี่ว่าเรามีสติล้ครับเนี่ยเป็นสติรู้กายรู้ใจงั้นเบื้องต้นนะถ้าเราอยากฝึกสติให้เข้มข้นไม่ใช่เอาแต่พูดพูดเอาธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ไว้พูดเล่นแต่เป็นธรรมะที่เพื่อการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ถอดถอนตัวเองเ อ, ออกจากความทุกข์ได้จริงๆนะไม่ใช่ของเอามาคุยเปลื่นๆเล่นๆแ่บ งั้นมันมีวิธีที่ท่านสอนไว้นะวิธีฝึกให้เกิดสติกนะ็คือคอยตามรู้กายรู้ใจเนืองเนอะอย่างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเคยได้ยินไหมกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4เคยได้ยินไหมมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีสตินะคอยรู้กายเนืองเนืงคอยรู้กายเนืองเนืองคอยรู้ความสุขความทุกข์เรียกเวทนานุปัสสนาะ อนุปัสนาปัฏนะว่าการเห็นอนุว่าตามตามเห็นเนืองเนืองซึ่งกายตามเห็นเนืองเนืองซึ่งเวทนาตามเห็นเนืองเนืองซึ่งจิตใจที่เป็นกุศลอกุศลตามเห็นเนืองเนืองะซึ่งกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมของกุศลและอกุศ ล, ากกลตามเห็นเนืองเนตามเห็นเนืองเนไปต่อไปจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองงั้นในคําว่า อนุปัสสนานะคือตามเห็นนั่นเองมีมีสตินะตามเห็นกายเนืองเนืองมีสติตามเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเนืองเนืองมีสติตามรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจเนืองเนืองอย่างคนไหนขี้โมโหถ้าโมโหขึ้นมาเราคอยรู้โมโหขึ้นมาค่อยรู้คนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยนะทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเราคอยรู้ไปหัดรู้ไปได้่อย ต่อไปมันรู้เองไม่ได้เจตนานจะรู้จะรู้ได้เองนะหรือบางคนก็ดูร่างกายร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวถ้าเราคอยรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอนะลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะ น, นิดเดียวเท่านจะรู้สึกตัวขึ้นเองจะมีสติขึ้นมาเองนะอย่างถ้าเราคอยรู้ร่างกายหายใจออกเรารู้ร่างกายหายใจเข้าเราคอยรู้ๆ Imperial, ๆ เ, รรเวลาเราเผลอ เราเผลอเราเกลียดโกรธขึ้นมาเนี่ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวเราจะรู้ทันขึ้นมาเลยเฮ้ยเมื่อกี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้เผลอไปโกรธเขาล้นะหรือเมื่อกี้มีราคะเวลามีราคะลมหายใจก็เปลี่ยนเราเคยรู้ไหมเวลาโกรธลมหายใจเราก็เปลี่ยนนะเวลามีราคะแรงๆให้นมาลมหายใจก็เปลี่ยนใช่ไหมดังั้นเวลากิเลสเกิดน้ำลมหายใจมันเปลี่ยนถ้าเราเคยมีสติรู้ลมหายใจบ่อยๆนะพอลมหายใจมันเปล 9, white, them, flowing, ja elite, Clear ี่ยนปุ hey ๊บเรารู iers, sick, <meeting S 1> <ta> ้เลยนะ สติเกิดเองเลยรู้ตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาไดนะ้หรือเรายืนก็ Land, ค่อยดูนะเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆต่อมาพอเราเผลอนะสมมติเราโกรธคนมากๆเลยโกรธคนนี้มากเราจะชกเขาละขยับมือชกั่านนะ ร, ร่างกายเคลื่อนไหวนะมันเคยรู้สึกตัวเนี่ยเคยฝึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกเพาะจะไปชกเขานะขาดสติขนาดนั้น เรขยับเคลื่อนมือเคลื่อนนิดเดียวสติมาเลยนะสติก็เข้ามาทัทนทันทีเลยความโกรธจะกระเด็นออกจากใจไปในกริปตานั้นเลยนะความเครียดในใจก็หายทันทีนะี่ค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่เราจะฝึกให้มีสติขึ้นมาหัดดูบ่อยๆรู้สึกกายบ่อยๆรู้สึกใจบ่อยๆ คนไหนถนัดดูกายก็ต้องดูกายมันบ่อยๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูบ่อยๆเราเฝ้ตสติเกิดเองคนไหนถนัดดูจิตใจก็ดูไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจโรคปวดหลงก็รู้ถ้าเห็นว่าหลายอย่างนะักดูยากเอานิดหน่อยก็พอ นะแค่ดูว่าตอนเนี้ใจเรามีความสุขเรารู้ทันใจเรามีความทุกเรารู้ทันใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกครรู้ทันแค่นี้ก็พอนะไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากมายหรือคนไหนขี่โมโหดูไปทั้งวันเนี่ยใจมีสองแบบองคือใจที่โมโหกับใจไม่โมโหนะคนไหนขี่โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยก็นะรู้ทันวันๆหนึ่งจิตใจมี2แบบเลยจิตใจโลภกับจิตใจไม่โลภ เวลาดูนะดูนิดเดียวไม่ใช่ว่าต้องดูเยอะแยะทุกสิ่งทุกอย่างนะเลือกดูนิดนิ ด, นดหน่อยหน่เท่านั้นเองอย่างจะดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยดูสามอย่างนี้ก็พอละนะหรือจะคนไหนขี้โกรธก็ดูจิตโกรธจิตไม่โกรธดู2 อ, อย่างก็พอละคนไหนขี้โลภก็ดู2ออย่างจิตโลภกับจิตไม่โลภนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเรียนกรรมฐ า, านอะไรที่มากมายมหาศาลจนเยอะแ ย, ยะไปหมดนะ ธรรมมที่พระเจ้าสอนเนี่ยบอกว่า 84%,00 มพระธรรมขันธ์นะแต่ธรรมมาเพื่อคนคนหนึ่งที่จะหลุดพ้นมีไม่มากหรอกนะมีไม่กี่ประโยคหรอกที่ท่านสอนไว้ตั้ง8ป0หมพันระธรรมขันธ์เพราะก็สอนคนจํานวนมากนะสอนเยอะแยะจริตนิสัยต่างๆกันก็เลยสอนอะไรต่างๆกันไว้เยอะแยะและธรรมฐานที่จําเป็นสําหรับคนคนหนึ่งนั้นิดเดียวเองเงั้นอย่างพวกเรานะคอยรู้สึกไป ถ re ้าคนไหนรู้สึกกายแล้วก็รู้สึกตัวได้ดีก็ดูกายไปคนไหนดูกายแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็คอยรู้ความรู้สึกเนี่ยที่คำว่าดูจิตดูจิตก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้จักสุขไหมเวลามีความสุขรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมความสุขรู้จักความทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์เฉยยรู้จักไหมก็รู้จักเรื่องของมันรู้จักอยู่แล้ว หลวงปดูลท่านเคยสอนหลวงพ่อว่การปฏิบัติไม่ยากหรอกมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติจน ะ, ย, ะยากอะไรใจมีความสุขขณะนี้รู้ว่ามีความสุขอยู่ใจมีความทุกข์ก็คอยรู้ว่ามันทุกข์อยูนะ่หัดรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่หัดไปแทรกแซงมันนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อไปแทรกแซงมันว่าจงมีแต่ความสุขห้ามมีความทุกข์ไม่มีคำว่าห้ามไม่มีคำว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้รู้อย่างที่มันกำลังเป็นอย่างตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์เราก็รู้เอา เคยรู้ไปเรื่อยเราก็เห็นเนละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยหมุนไปอย่างนี้ทั้งวันเลยนะต่อไปไม่ได้เจตนาเลยแค่สมมว่าสิ้นปีแล้วนะเงินเดือนสองขั้นอะไรเงี้ยก็เห็นประกาศออกมาว่าได้เงินเดือนสองขั้นนะโอ้ดีใจมีความสุขดีใจมีความสุขรู้ว่ากําลังมีความสุขี่ยากอะไรใช่ไหมเวลาเราขับรถนะ่ะมีทั้งสุขทั้งทุกข์นึกออกไหมเวลานั่งรถเวลาขับรถนะ่ะ ขับไปวันนี้เจอแต่ไฟเขียวมีความสุขไหม เ, ออเคยเจอไม่ไฟเขียวแล้วก็รถเต็มสนนเลยทั้งทงที่ไฟเขียวแล้วไปไม่ได้อะมีไหมมีสุขหรือทุกมีทุกข์เห็นไหมแค่ใครๆก็รู้เรื่องง่ายๆแค่นี้นะเวลาเราเจอไฟแดงนะถ้าเราติดไฟแดงคันแรกเนี่ยเราเจ็บช้ำที่สุดเลยนะนึก อ, ออกไหมเนี่ยทุกคนนะรู้ดูจิตดูใจได้อยู่แล้วนะ ติดไฟแดงคันแรเกเจ็บช้าที่สุดเลยคั้นที่ห้าก็เจ็บนิดหน่อยนะคันที่ร้อยอีกรอบหนึ่งจะพน้นได้เปล่าอีกสองรอบเจ็บพบ้นหอเปล่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าติดคันแรกเนี่ยเจ็บช้าที่สุดเนี่ยเราเราดูจิต ด, ดูใจของเรานะดูความรู้สึกอนะความรู้สึกมันมีดีกรีของมันนะไม่เท่ากันหรอกแต่ละคราวแต่ละคราวเราหัดดูไปเรื่อยนะต่อไปความรู้สึกมันเปลี่ยนนิดเดียวนะสติจะระลึกได้เอง มีความสุขผุดขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นละมีความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ได้ว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมีกุศลมีโรคโกรดหลงอะไรเกิดขึ้นนะเราก็รู้ได้เราหัดรู้บ่อยๆแล้วเราก็รู้ได้เวลาเราขับรถเคยถูกปาดหน้าไหมปาดหน้าแล้วโกรธไหมก่อนจะโกรธต้องคิดนิดนึงก่อนสังเกตไหมตรงที่กําลังใจลอยอยู่ไม่ได้คิดอะไรค่เขาปาดหน้าไม่รู้เลยใช่ไหไม่โกรธ ต้องชิดนิดหนึ่งก่อนนะโกรธเวลาโกรธแล้วทําไงกดแตรไหมหรือด่าบางท่านบอกว่าด่าเลยอไอคนที่ขับอยู่นู้นไม่ได้ยินนะไอคนที่นั่งข้างเราเนี่ยหูอื้อไปแล้วนะเนี่ยเวลาเราโกรธใช่ไหมเราไปดูคนที่ทําให้เราโกรธแต่เป็นให้กลับข้างนี้เดียวเวลาโกรธขึ้นมานะรู้ทันว่าใจกําลังโกรธแค่นี้เองเวลาสุขนะก็รู้ทันว่าใจกําลังสุข ถ้หัดมารู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆจะสุขจะทุกข์จะดีจะชัวนะ่วหัดรู้ไปได้นะถ้ารู้มากไม่ได้ก็รู้นิดหน่อยเอาแค่สุขทุกข์เฉยๆก็พอนะหรือโกรธก็ไม่โกรธโลบ ก, ก็บไม่โลบหลงก็ไม่หลงฟุ้งซ่านกับหดหูอะไรเนี้ยนิดหน่อยๆนะหัดดูไปดูไ ป, ไปต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดนะพอความรู้สึกเราเปลี่ยนปับ๊บสติจะรู้เองเลยว่าตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนแล้วมันจะกลับมารู้สึกตัวได้ นี่ขั้นแรกนะไม่ยากอะไรหรอกถ้าทำได้ก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนเดิมนะยังไม่เป็นพระริยะจะเป็นพระริยาได้นะเป็นระยะบุคคลนะผู้เจริญได้ต้องเจริญด้วยปัญญาก็นะมีปัญญาอาศัยว่ามีสติขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เราดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจต่อไ ป, นะปใจเรารู้ตัวใจเราไม่ล่องลอยไปไหนเรามีความรู้สึกตัวดีแล้วเนี่ย เราดูกายมันทางานดูใจเป็นทํางานต่อไปอยเช่นะเรานั่งอยู่ขนาดนี้นะทุกคนรู้ไหมว่ากําลังนั่งอยู่รู้สึกไหมนะแต่ถ้าเราไปคิดอะไรเพลินๆ เ, เ, เราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราคิดเพลินๆ เ, เรีวเราขาดสติแล้วนะนี่เรานั่งอยู่เรารู้สึกลองพยักหน้าซนะนะิถ้าพยักหน้าแบบจงใจพยักหน้าใจจะแข็งทื่อนะแต่ถ้าเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะใจจะโปร่งใจสบาย ให้เรารู้ไปด้วยใจที่สบายๆนะเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายเป็นยิ้มอยิ้มสิทุกคนยิ้มไหน่อในๆก็บายแนละ้วยิ้มงั้นอาหารเป็นพิษเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมนะมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะร่างกายมันยิ้มนะใจเราเป็นคนดูนะเมื่อค่อยๆฝึกนะเพื่อจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาการจะเจริญปัญญาได้เนะี่ยต้องแยกกายแยกใจได้หรือแยกความรู้สึกกับจิตใจออกจากกันได้นะ อย่างน้อยก็แยกกายกับใจออกจากกันนะถ้าแยกกายกับใจออกจากกันไม่เป็นนะแยกความรู้สึกกับจิตใจออกจากกันเราต้มีจิตใจอยู่เป็นคนดูอยู่เป็นตัวร่วมในทุกๆปรากฏการปนะรากฏการของรู ป, ปธรรมก็มีใจเป็นคนดูปรากฏการของนามธรรมานะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูเราค่อยๆมาฝึกนะให้มีใจเป็นคนดูนะอ้าวยิ้มหน่อยซิยิ้มเห็นร่างกายมันยิ้มไหมนะยิ้มหวานๆ น, นะ ยิ้หวานหวานยิ้มสบายนะนะเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูนะนะยกมือหน่อยขยับมือนะขยับนะกรรมอย่างนี้ก็ได้นะรู้สึกไปนะค้ายๆรู้สึกเห็นมือมันขยับนะใจเราเป็นแค่คนดูนะค่อยค่อยฝึกอย่างเนี้ยนะฝึกไปบ่อยๆเราไปกายกับใจจะแยกออกจากกันได้กายกับใจแยกกันได้นะถ้า มันเป็นจุดตั้งต้นมันจะเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเหมือนคุณยนต์ตัวหนึ่งเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยนะเนี่ยจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนการที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเรียกเห็นอนัตตาแล้วนั่งดูไปนะ ถ้าดูจิตใจนะก็เห็นความสุขความทุกข์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไปใจเราเป็นแค่คนดูอยู่แต่เดิมเวลามีความสุขเกิดขึ้นมันเป็นเราสุขนะเวลามีความทุกข์มันเป็นเราทุกข์เวล า, าโลภมันเป็นเราโลภเวลาโกรธมันเป็นเราโกรธเวลาหลงมันเป็นเราหลงแต่ถ้าเรามาคอยรู้สึกตัวอยู่นะความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความโกรธกับจิตใจมันโคแลนกันความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน เรานั่งอยู่ในบ้านสบายใจหรือนอนเล่นอยู่ในบ้านนะเห็นความโกรธเดินผ่านหน้าบ้านไปไม่เกี่ยวกับเราเห็นความสุขความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไปไม่เกี่ยวกับเราค่อยๆฝึกไปมันจะเห็นกายกระใจก็ควรละอันความสุขความทุกข์กับร่างกายกับจิตใจก็คนรละอันค่อยๆฝึกอย่างนี้เรียกว่าหัดเจริญปัญญานะจะหัดเจริญปัญญามากๆต่อไป ความยึดถือมันจะค่อยๆลดลงเพราะมันเห็นความจริงไม่ใช่เราหรอกเนปะ็นของที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวร่างกายนี่เหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเป็นถ้าที่เป็นเปลือกที่ไม่คงทนเท่าไหร่นะไม่นานก็คลําคล่าชํารุดซุดโทมไปเนะี่ยต่อไปพอใจมันยอมรับความจริงนะร่างกายมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอนะ่ะพอร่างกายมันจะแก่ร่างกายมันจะเจ็บร่างกายจะตายใจไม่หวั่นไหว มันไม่ใช่ของพิเศษของเราที่จะเสียหายไปแต่มันเป็นของที่ไม่ดีเขาไม่ดีมันจะแตกมันจะตายไม่ใช่เรื่องอะไรของเราใจจะไม่หวั่นไหวหรืออย่างความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้นะเราจะเห็นเลความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความดีมาแล้วก็ไปความชั่วโลคหลอดหลงมาแล้วก็ไปก็เราเห็นมากเข้ามากเข้านะต่อไปไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะใจจะเป็นกลาง ความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินไร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราวงั้นต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่มีความหวั่นไหวเกิดขึ้นเพราะมันมีปัญญามันรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูถ้าฝึกไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่เราตัวจิตที่เป็นคนดูเนี่ย แต่ว่าตัวนี้ยากนิดหนึ่งต้องดูบ่อยๆแยกกายแยกใจไปเรื่อยนะตัวกายดูใจทำงานไปมีจิตเป็นแค่คนดูฝึกมากเข้ามากเข้าเห็นกายไม่ใช่เราเห็นความรู้สึกต่างๆไม่ใช่เราสุดท้ายจะเห็นว่าตัวจิตเองตัวคนดูไม่ใช่เราถ้าวันใดที่ภาวนาจนเห็นความจริงนะว่าไอ้คนที่ดูอยู่นี่ไม่ใช่เราจะได้พระโสดปันพโสดาันจะรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอก ไม่มีคาว่าตัวเราอยู่ที่ไหนเลยในกายในใจนี้มีแต่ของที่มารวมตัวกันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แยกแตกสลายออกไปนี่เรียกว่าหัดเจริญปัญญานะถ้าทำได้ก็วิเศษเลยอะไรจะเกิดขึ้นในในชีวิตเราอะไรจะเกิดขึ้นในโลกเมื่อเห็นน้ำธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของข้างนอกไม่เกี่ยวอะไรกับจิตใจของเราฝึกเราจะมีความสุข ที่ไม่มีอะไรเหมือนมีความสุขที j j. Harley, darum, ่ไม่มีอะไรเหมือนมีความสุขที่ไม่ยิงอาศัยคนอื่นไม่ยิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาอย่างเรามีความสุขนั้นถ้าได้อยู่กับคนนี้เราจะมีความสุขถ้าไม่ได้เจอคนนี้บางทีเจอคนนี้เรามีความทุกข์เป็นไหมเนีความสุขของเราไปอิงคนอื่นนะต้องอิงว่าต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะสุขต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะสุข ความสุขของเราบางคนก็ยิงกับตำแหน่งนะอย่างข้าราชการนะได้ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงไปเลยนะนะดีมีความสุขเมืนะ่อความสุขที่ยิงกับตำแหน่งพอหมดตำแหน่งก็หมดความสุขไปด้วยความสุขที่อาศัยเงินทองยิงอยู่กับเงินทองมีเงิน้วมีความสุขนะจริงไหมจริงพระเจ้าสอนนะมีความสุขจากการมีทรัพย์ ถ้าไม่มีก็ทุกข์มากหน่อยเป็นหนี้ย่งแย่ใหญ่ความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแต่ความสุขนั้นเป็นความสุขธรรมดาธรรมดานะบางคนมีเงินเยอะก็ไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างถ้าความสุขของเราไปผูกอยู่กับอะไรนะเราจะเสียอิสรภาพเพราะสิ่งนั้นความสุขของเราผูกอยู่กับคนคนนีนะ้เราต้องเอาใจคนคนนี้เราจะเสียอิสรภาพเพราะคนคนนี้คน ที่พวกเราทำให้พวกเราเสียอิสรภาพมากที่สุดก็คือลูกเราเนี่ยแหละมันบังคับเราได้สรารพัดเลยสามีพัญญานะตอนแรกๆ ก, ก็มีอิทธิพลมากในชะ่ควบคุมเราได้เสียอิสรภาพเรามากนานนานไปเราอยากกู้อิสรภาพอยากลดตัวเองออกเนี่ยถ้าเรามีความสุขนะเพราะอิงอาศัยอะไรนะสิ่งนั้นน่ะจะมาเป็นเจ้านายเรา ใครขับรถแล้วก็ล้างรถเองเหไหมไม่ใครเคยล้างรถด้วยตัวเองเคยอาบน้ําให้พ่อให้แม่ไหมน้อยคนนะอาบน้ําให้พ่อให้แม่อาบน้ําให้รถมากกวา่าอาบน้ําให้หมาก็เยอะนะ่ใกล้เคยอาบน้ําให้หมามั้งแย่เลยหลวพ่อด้วยแหละเนกะิดก็เลี้ยงหมามันกันมันรู้สึกนะหมาเป็นเจ้านายเรานะถึงเวลาต้องหาอะไรมาให้มันกินแลนะไม่ให้มันกินแล้วมันทําหน้า ง, งอใส่ เถึงเวลาก็ต้องไปอาบน้ําให้มันจะเพ็บจับหมัดนะให้มันอีกอะไรเงี้ยโหทำบาปให้มันอีกมันเป็นเจ้านายเราใครเป็นนายเรานึกว่าเราเป็นหนายหมาหมาก็ฉิดกับค้างเว่าหมานี่มีคนเป็นทาสมีคนเป็นทาสรับใช้สังเกตไหมว่าไม่ว่าเรารักอะไรนะเราพึ่งพาว่าเราต้องอยู่กับสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขนะสิ่งนั้นน่ะมันจะมาเป็นเจ้านายเรา ผู้จา่าถึงบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเนี่ยนะแล้วค่อยๆปลดปล่อยตัวเองนะค่อยๆดูความจริงต่อไปเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวเราเองความสุขเราไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นไม่ได้อิงอาศัยสิ่งอื่นนั้นเราจะได้อิสรภาพมานะนั่นเราพยายามพัฒนาน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญามากต่อไปเรามีความสุขอยู่ในตัวเองนะหายใจออกก็มีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขนะ ป่วยไข้ก็ยังมีความสุขหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ท่านแก่มากๆท่านไม่สบายนะนอนอยู่บนเตียงหายใจขแมขแหวขมแวๆะดูท่านมีความสุขอ่ะคนในโล ก, กหน้าตายับยน่นโรงบาลนี่ถึงไม่เคยขาดลูกค้าหรอกมีคนเวียนเข้ามาหาเรื่อยเลยคนมีแต่ความทุกข์าหาพนานนะ่อไป ใจิตใจเราเปนจะคลายความยึดถือออกไปพอเราคลายความยึดถือเราไม่เวรักใคร่ผูกพันสิ่งต่างๆเลยเราก็จะได้อิสระภาพมาเรียนะได้อิสระมาถ้าเรารักใครผูกพันกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเจ้านายเราค่อยๆฝึกสิ่งที่เรารักมากก็คือกากับใจของเราร่างกายเรานี้เรารักมากนะดูแลมากมายตื่นนอนมาเราทําอะไรให้ร่างกายบ้าง ล้างหน้าทำอะไรอีกแปลงฟันเนาะอาบน้ำนะไปอือไปชีไปแต่งตัวนะตัวเหม็นฉีดน้ำหอมตัวหอมไปหอมเนยองไม่ดีให้ไปอาบน้ำล้างออกบ้างนีนะบนหัวเรานี่ทำอะไรบ้างจากเส้นผมผมไม่ค่อยจะมีก็หายามาใส่ให้มีผม ผมแข็งไปเอายามาใส่ให้ผมนิ่มผมนิ่มไปเอาเจลมาทาให้หัวแข็งเนะโอ้สารพัดเลยนะหรือ <c oughs> บองบอ ง, บองไงก็ไม่รู้นะผมเป็นสีนี้ก็เป็นเปลี่ยนสีเลยนะนี่ภาระนะภาระทัเท่านั้นเลยก็เรารักรักผมหูวพ่อสบายนะสบาอา้าวสบายจริงนะลองไปโกนผมีิเราจะรู้เลยว่าสบายที่สุดเลยนะ สบายครับสาผมก็แป๊บเดียวก็เสร็จละแล้วก็ แ, แป๊บเดียวก็แห้งละพเราต้องต้องมาเป่าอีกใช่ไหมผมยาวๆฝ า, างเป่านะโอ้แค่หัวอย่างเดียวนะพาระเยอะแล้วขนคิ้วขนตาอะไรเนี่ยนะพาระให้ฝึกนะฝึกจงกระทั่งใจมันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น มันรักใครผูกพันสิ่งต่างๆเนี่ยน้อยลงน้อยลงมันจะได้อิสระภาพมากขึ้นมากขึ้นคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงเลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสค่อยๆฝึกไม่ยากอะไรงั้นเบื้องต้นสรุปนะสรุปวิธีฝึกเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ขอศีลห้าเท่านั้นศีลแไม่จาเป็น ศีลที่จําเป็นคือศีลห้าถ้าเรามีศีลนะใจเราจะสงบง่ายถ้าใจเราฟุงา้งซ่านใจเราไม่มีความสุขคนที่มีศีลจิตใจสงบนะอย่างคนที่มีความเมตตาถนะ้าคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นไหมคนคิดทําร้ายคนอื่นไม่มีความสงบคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แนละ้วกับคนที่โลภอยากได้ของคนอื่นคนโลภมากไปขโมยเข้าไปอะไรครับไม่มีความสุข คนโกหกเหนื่อยนะใครเคยโกหกบ้างยกมือสิหดวงพอด้วยสมัยนอนสมัยเป็นโยมนะสมัยอย่งางภาวนาไม่เป็นถ้าคนไหนบอกไม่เคยโกหกโอ้โกหกเก่งโกหกได้อันดับหนึ่งเลยนะเอาใต้ให้เลยโกหกต้องใช้ความจํามากนึกออกไหมตัวหกแล้วต้องจํำใช่ไหมพูดความจริงไม่ต้องจํามากถ้าโกหกเนี่ย สมองเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วล่ะเพราะเอาหน่วยความจําไปใช้หมดแล้วนะก็จะลําบากคุยกับคนนี้ว่าอย่างนี้คุยกับคนนี้อย่างนี้นต้องคอยจํำลํา บ, บากใจไม่สงบงั้นการที่เราถือศีล น, นะใจเราสงบง่ายงั้นถือศีลห้าไปก่อนอย่างน้อยก็สบายใจถัดจากนั้นก็มาฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติเรื่อยๆ มีสมาธิมีใจอยู่กับเน้อกับตัวถ้าร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกนี่จะรู้สึกได้ต้องคอยซ้อมจะแบ่งเวลาไว้เลยแต่ละวันแบ่งไว้15้านาทีช่วงไหนก็ได้ตื่นนอนมาฝึก1ิบ้านาทีก็ได้กลางวันกินข้าวแล้วจะมาฝึกสักสิ้านาทีก็ได้ตอนเย็นก่อนที่จะง่วงเมาฝึกสักหน่อยก็ได้สิบห้านาทียี่สิบนาที วิธีฝึกก็ไหว้ผ้าสวดมนต์ไปแล้วก็นั่งดูกายดูใจมันทำงานไปนะถ้าใจเราหลงไปใจเราไหลไปเราเคยรู้ทันใจเราชอบไหลไปคิดหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูใจที่ไหลไปคิดแต่ไป น, นี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะห้ามพวกเราคิดนะหลวงพ่อจะเงียบเงียบห้ามพวกเราคิดนะคิดไหมเม่แม่มันคิดได้เอง มันไม่ใช่เราหรอกมันแอบไปคิดได้เองเราสั่งมันไม่ได้นะ ใ, นใจเรา น, เนี่ฟุ้งเงี้ยงั้นเวลาเราฝึกในรูปแบบนะเราคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดไหนะว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทกํากรรมฐานสัอย่างพุโทโธหรือรู้ลมหายใจหรืออะไรก็ได้นะที่ถนัดแล้วคอยรู้ทันใจที่มันมีไิคิดรู้บ่อยๆนะเราจะได้จิตใจที่อยู่กับตัวเองเอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ค่อยๆแยกกายแยกใจไป เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะวิธีฝึกเนี่ยบางคนนะ่ะแค่จิตตั้งมั่นรู้ตัวขึ้นมานะเห็นกายกับใจแยกออกจากกันเลยนะแต่บางคนมันไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกอย่างถ้าเราแยกกายกับใจไม่ออกจากกันหรือแยกความรู้สึกกับใจออกจากกันไม่เป็นนะ่ะเราก็ต้องซ้อมเมาวิธีซ้อมคือนั่งอย่างเนี้อย่างขนาดนี้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งนานๆ น, นั่งให้เมื่อยไม่ใช่นั่งเอาอะไรหรอกนั่งเอาเมื่อย นั่งให้เมื่อยเลยนะเวลานั่งก่อนจะเมื่อยเนะี่ยค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งเนื้อใจเราเป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายมันนั่งนั่งไปให้สบายเลยนะไม่ใช่เห็นว่ากายกับใจเนะนี่ยคนละอันหัดฝึกไปนะกายมันนั่งกายมันยิ้มกายมันปัดยุงกายมันเกาพนวะกเราเกากันจุกยยิ๊กนะที่ผ่านมาเราเก่าแล้วเราไม่ได้รู้ตัวว่าเกานะ่าเราพยักหน้าเราไม่รู้ตัวพยักนะ ไปลองเก า, าล้วก็รู้สึกนะยักหน้าเราก็รู้สึกขยับก็รู้สึกยา้ำรู้สึกบ่อยๆนะจะเห็นว่ากายกับใจนี่เป็นคนละอันค่อยๆฝึกไปแล้วก็นั่งต่อไปอีกนะนั่งให้เมื่อยเลยแล้วค่อยๆสังเกตร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะจิตใจที่เป็นคนไปรู้ร่างกายรู้ความปวดความเมื่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆหัดแยกไปรู้จักเมื่อยไหมรู้จัก หรือไม่ต้องเมื่อยก็ได้คันก็ได้เพราะเราโดยธรรมชาตินะีพวกเรามีสายพันธุ์เดียวกับลิงอยู่นิ่งไม่ได้หรอก น, ะ น, นิสัยคนต้องยุกยิ้ยุกยิ้กตลอดนะเวลามันคันนะ่ยอย่าเพิ่งเกาค่อยๆสังเกตไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความคันเนะี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆหัด น, นะถ้าดูคันแนละ้วมันละเอียดเกินไปก็ดูเมื่อยนั่งให้นานๆเอาให้เมื่อยเลย เรเห็นร่างกายมันนั่งก็ส่วนหนึ่งนะความเมื่อยแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเป็นอีกส่วนหนึ่งพอมันเมื่อยมากๆหรือมันคันมากๆนะชักจะกวนกระวายใจเวลาคันมากๆรู้สึกไหมมันอึดอัดใจนะเนี่ยรู้ทันไหมคันที่ร่างกายแต่ความอึดอัดมาอยู่ที่ใจไม่คนละอันกันนะค่อยๆหัดแยกเนีจะเห็นในความปวดเมื่อยหรือความคันนะอยู่ส่วนหนึ่งนะ ความกระวนกระวายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้เป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยฝึกแยกฝึกซ้อมไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราน่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยไม่ใช่ตัวเราความคันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรไม่ใช่เรากระทั่งตัวจิตที่เป็นคนดูนะถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราเหมือนกัน นี่แหละหัดไปเรื่อยๆนะถ้าฝึกไปได้อย่างที่บอกนี่นะมาผลนิพพานไม่เป็นไรหนอกไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะถ้าฝึกให้ได้ทั้งในรูปแบบฝึกให้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันนะในชีวิตประจำวันขณะนี้เรานั่งเราเห็นร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะใจเป็นแค่คนดูร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เรา หรืออยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยตามองเห็นเห็นไฟแดงแนละ้วความรู้สึกเป็นยังไงเห็นไฟเขียวความรู้สึกเราเป็นไงเห็นคนคนนี้มาความรู้สึกของเราเป็นไงเห็นคนนี้มาความรู้สึกเป็นไงเคยรู้ไปนะเดินเดินไปนะเห็นดอกไม้สวยในโรงพยาบาลนี้เขาก็ตกแต่งเลยนะพยายามให้ดูดีเพื่อคนไข้จะได้สบายใจคนไม่ไขมาเไม่อยากมาอยู่เลยนะมันร่มรื่นนะโรงพยาบาลเนี้ย ให้หลวงพ่อมาอยู่ก็อเอาเหมือนกันเนอะต้นไม้เยอะชอบเนี <c oughs> ่ยเดินเห็นต้นไม้นะ่าสบายใจรู้ว่าสบายใจไม่ใช่รู้ว่ามีต้นไม่นะเห็นต้นไม้รู้ว่าต้นไม้เนี่ยคนไม่ภาวนาเขาก็รู้เราเห็นต้นไม้ล่มรื่นสบายใจรู้ว่าสบายใจเดินเดินไปเหยียบชี้หมาเขาละความสบายใจหายแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดขยะขยะงนะแล้วก็อาจจะหาอตัวไหนมะ นะมาทำเรียราดไม่มีมารยาทนะไม่เป็นที่เป็นทางหรือนะใครนะเลี้ยงหมาแล้วไม่ดูแลโกรธเจ้าของต่อเนะีนะ่ยรู้ทันที่ใจใจที่มีความสุขหายไปแล้วเกิดใจที่ทุรนทุรายขึ้นแทนเนีนะ่ยนะรู้ไปนะในชีวิตธรรมดาเนี่ยเวลากินข้าวเจอของอร่อยพอใจรู้ว่าพอใจนะนะเจอของแม่อร่อยไม่ชอบนะหงุดหงิดเจอแต่ของแม่อร่อยก็รู้ว่าไม่ชอบ นี่หัดไปเรื่อยๆนะหัดอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละงั้นการปฏิบัติทำจริงๆไม่ใช่ต้องหนีไปอยู่ในถ้ำคนเดียวหรอกนะอยู่ในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยอยู่บ้านเรานี่แหละนะอยู่บนรถยนต์นี่แหละอยู่ในที่ทำงานนี่แหละปฏิบัติได้ตลอดนะก็คือคอยรู้ทันร่างกายคอยรู้ทันใจของเราไว้นะดีเฉาะอย่างเราอยู่กับคนไข้อยู่อะไรอย่างนี้นะเห็นคนไข่บางคนเราก็เบื่อแล้ว คนนี้รักษาไม่รู้จักหายนะเวียนไปเวียนมาอยู่เนี่ยเห็นแล้วก็เบื่อหนะรู้ว่าเบื่ออ่อเห็นคนใข่คนนี้สวยดีนะน่าจะป่วยนานๆสวยนะ <c oughs> ใจมันชอบรู้ว่าชอบรู้เข้าไปอย่างเงี้ยไปยากอะไรทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองต่อไปนี้อย่าไปลาเลยร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้ใจเคลื่อนไหวรู้รู้ไปทำธรรมดา ในชีวิตธรรมดานี่แหละสำคัญมากเลยถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติทาในชีวิตธรรมดานี้ได้นะโอกาสได้มักผลจะมีน้อยเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ตรงนี้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ในห้องพระนั่งสมาธิใช่ไมมีส่วนใหญ่เราอยู่บนถนนคนกรุงเทพนี่อยู่บนถนนา น, นานนะแล้วบนว่าเราติดติดซ ทุกคนแผ่มาอยู่บนถนนไม่ยอมไปอยู่ในบ้านไม่ยอมอยู่ที่ทํางานอยู่บนถนนเต็มไปหมดเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนถนนแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจอยู่ที่บ้านเราก็คอยรู้กายรู้ใจอย่างแค่ป้อนข้าวลูกนะก็ทํากรรมฐานได้นะใครมีลูกเล็กๆบ้างมีไหมหรือเคย ม, มีเวลาเราป้อนข้าวเด็กอะ่ะเด็กบางคนบางวันนะไม่ขยันกินใช่ไหมป้อนแล้วมันเคี้ยวตุ้ยตุ้แลนะ้วเราพอใจใช่ไหม เรารู้สึกพอใจก็รู้ว่าพอใจคนทั่วทัวไปพอป้อนข้าวลูกลกูกินเอากินเอานะพอใจนะก็รู้สึกว่าลูกน่ารักลูกเราน่ารักจังวันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ดูตัวเองไม่ไู้ว่าได้ดูว่าใจกําลังพอใจอยู่อีกวันหนึ่งป้อนมันไม่ค่อยกินแนละ้วมันอมไม่เด็กเด็กมชอบอมข้าวนะมเหมือนลิงอ่าแก้มตุยตุเงี้ยเราก็จะแปรกุละอยากให้มันกินเร็วๆมันก็ช้าก็งหงุดหงิด หงุดหงิดรั่วหงุดหงิดเนี่ยเรากรรมฐานแล้วนะฝึกกรรมฐานเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ไม่หงุดหงิด ต, ตอนนี้หงุดหงิดนะความหงุดหงิดนี่เป็นของที่แปรปลอมเข้ามาห้ามมันไม่ได้นะเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วผ่านมาผ่านไปตลอดเนี่ยฝึกนะฝึกดูของจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราฝึกให้มากดูให้มาก ถ้ายิ่งดูมากเท่าไหร่นะการที่จะจิตจะยอมรับความจริงได้เร็วก็วมีมากขึ้นเท่านั้นบางคนก็าภาวนาเขาดูบ่อยๆไม่นานจิตก็ยอมรับความจริงบางคนก็นานๆดูทีหนึ่งเผลอทั้งวันเลยแล้วก็ก่อนนอนมาดูสักหน่อยแล้วก็หลับไปเลยนะไม่ได้เรื่องอะไรพยายามฝึกในชีวิตธรรมดานี้ให้มากที่สุดเลยแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะ ธรรมะมีจริงนิพพานมีจริงมรรคผลมีจริงพระอริยมีจริงเพราะเราจะเป็นพระอริยเองจะรู้แจ่มแจ้งขึ้มนมาเลยความทุกข์มันจะหายไปจากใจอย่างน้อยมันก็ลดลงเป็นลําดับลําดับไปฝึกไปแล้วสิ่งที่ได้นะั้นได้อิสระภาพได้ความไม่ทุกข์ทางใจส่วนร่างกายก็ทุกข์ไปตามธรรมดาดูแลมันไปเพื่อจะได้มีร่างกายนี้เอาไว้สร้างคุณงามความดีต่อไปนะ ฟังหลวงพ่อทีแรกนี่เข้าใจยากนิดหนึ่งนะถ้าไม่เคยฟังก็เอาซีดีไปฟังเนาะฟังแล้วฟังอีกแต่ดูหน้าพวกเราไม่ใช่พวกไม่ค่อยฟังจํานวนมากในห้องเนี้ยผองใสสงสัยจิตใจผองใสเบิกบานเดี๋ยวนี้หลวงพ่อนั่งรถไปต่างจังหวัดไปที่โน้นที่นี่นะเห็นคนตามปั๊มน้ํามันตามร้านข้าวแกงเลยเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าลูกสิทธิ์ใครหน้ามันผองใส ไม่ต้องใช้ครีมใช้แป้งอะไรนะสวยได้ด้วยซีดีหลบงพ่อประโมทไม่ใช่เอาซีดีมาทาหน้านะฟังไปนะแล้วเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจขึ้นมาความทุกข์มันค่อยๆหายไปนะชีวิตก็เบิกบานชีวิตก็ผ่งใสอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเรามีจิตใจที่เบิกบานผ่งใสให้ฝึกเอานะให้ฝึกเอา เท่านี้ก็พอสมควรแล้วน้อาจารย์หลวงพ่อครับอคือรู้สึกว่าช่วงช่วงนี้ครับเวลามองตัวเองในกระจกมันจะรู้สึกแปลกๆเหมือนกับเหมือนกับมองอืเหมือนกับเอใครสักคนไม่รู้อย่างเงี้ยใช่เหมือนไม่ใช่เราหรอกอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนกับตอนนี้เออเหมือนกับเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆมันมันมันไม่มันไม่ใช่คนเดิมคนเดียวกัน นั่นแหละพอนำพอแล้วเป็นแล้วรู้สึกกันนะพอนำไม่เป็นคนทั่วๆไปมันจะรู้สึกว่าเราเดี๋ยวนี้ก็เราตอนเด็กๆคนเก่าแต่หน้าตาไม่เหมือนเดิมเท่า น, นั้นเองหรือเราชาติหน้ากับชาตินี้ก็คนเดิมอีกนะแต่ถ้าพอนาเป็นเนีจะรู้เลยเรามีชีวิตอยู่ทีละขณะทีละขณะขเราเดี๋ยวนี้ก็เราเมื่อวานนี่คนละคนกันนะมันก็อีกนิดนึงนะครับคืออย่างช่วงนี้ไม่ค่อยสบายป่วยนะครับก็ ก็จําเป็นต้องทานยาอือีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออคุณหมอเขาให้ยามามเราก็ต้องเรายังรักร่างกายอยู่ก็เลยต้องทานยาอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็อยากเป็นอิสระอยากการทานยาเนี่ยมียาก็ต้องทานนะเสียงเงินไปซื้อมาแนละ้ว <laughs> มันก็เลยรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออมันอย่าไปรู้สึกกันสิเราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อย่างต้องรักษาร่างกายนี้ไว้สร้างคุณงามความดีนะ ถ้าบอกว่าเจะกินยาเนี่ถือว่ารักตัวเองเลยไม่ต้องกินท่านพระอราหันต์ก็ไม่ต้องกินข้าวสิทําไมพระพุทธเจ้าอย่างบิณฑบาตนะพระพุทธเจ้ารักร่างกายมากเหรอนี่ท่านรักษาร่างกายาไว้ทําประโยชน์ให้โลกนะฮะงั้นเราก็รักษาร่างกายไว้นะอย่าไปดื้อกับหมอมากเลยหมอก็เบือ่อแล้วสุดท้ายนะครับก็คือรู้สึกว่าคือพอพอเห็นอย่างนี้แล้วครับผมไดเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเขต <ท>อาปัจจัยแต่มันก็ยังก็ยังมีใจที่แบบไม่ยอมรับอยู่บ้างไมันยังยอมไม่ได้หรอกนะถ้ามันยอมได้ก็ปล่อยเป็นภูมิธรรมพระอนาคาคาร์อ๋อครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับครับ่อยฝึกไปเบื้องต้นเห็นมันไม่ใช่เรานะเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยจิตจะปล่อยตรงที่เห็นทุกข์การนมักการครำน้อมักการหลวงพ่อค่ะ ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองนะคะอเออปฏิบัติมาปีกว่าๆแต่รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่อะคะ่ะไม่ทราบว่าจะขอคาข อ, ขอกัรบ้านลูกพ่อะคะ่ะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนนี้มีความต่างกันไหมมีค่ะออนั่นแหละความก้าวหน้าของการภาวนานะเราไม่ดูรายวันอย่างน้อยเราต้องดูรายไตรมาส เดี๋ยสามเดือนนี้กับสามเดือนก่อนไม่เหมือนกันหรือหกเดือนก่อนไม่เหมือนกันกับเดี๋ยวนี้เห็นไหมนั่นแหละมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราเริ่มเห็นแล้วกายกับใจโคแานกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็โคแานเริ่มเห็นแล้วล่ะเมื่อเห็นแล้วก็ดูให้บ่อยๆเท่านี้นจนใจมันยอมรับความจริงนะเห็นความจริงแล้วแล้วดูบ่อยๆขยันดะูนน แล้วหนูต้องปฏิบัติเพิ่มยังไงบ้างคะหูอขยันดูเลยขยันดูสิบางครั้งรู้สึกว่าจิตมันนิ่งๆนะค่ะดูไปจิตไม่ค่อยนิ่งจริงนะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันงุดหงิดนะรู้ทันมันจิตหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยเดีวที่ทําอยู่ถูกต้องไหมคะหนูพ่อก็ดีนะเสียแต่ว่าใจมันฟุ้งซ่านไปหน่อย เออหนูขอกันบ้านเพิ่มมีฮหนุ่พ่อจะแนะนําอะไรบ้างก็หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับพุโทโตอยู่กับลมหายใจหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตเวลามันไหลไปหนีไปคิดถ้าเราไม่รู้ทันมันจะหนีไปนานนะเขาควรมันหนีไปนานหน่อยใช่มันฟุง้งนะให้เรารู้ทันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยกลับเข้ามาแล้วรูปแบบต้องทําเพิ่มขึ้นไหมคะหลวงพ่อ การภาวนานะรูปแบบแเราทำทุกวันนะ่ะทำไปเถอะ <c oughs> แต่ว่าจุดสําคัญคือในชีวิตประจําวันทําให้ไดนะ้ของคุณใจมันไม่สงบง่ายหรอกนะถึงไปทํารูปแบบมันก็ไม่สงบง่ายๆหรอกเพราะมันเป็นคนช่างฉิตนะแจมจะฟุ้งเก่งเพั้นตาหูจะบบกเล่นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนรู้ไปเรื่อยๆส่วนในรูปแบบทําทุกวันถือว่าทําเป็นพุทธบูชาสงบก็ทําฟุ้งซ่านก็ทํานะ ไปที่ทำเอาการพระบุคคลกันหลวงพ่อกาบนมัสการหลวงพ่อจะค่ะเอ่อบางครั้งเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็บางครั้งเนี่ยจิตมันเผลอไปมันเนียนมากเลยค่ะกว่าจะรู้นี่สองสามช็อตไปแล้วถึงจะรู้สองสามช็อตไม่เป็นไรอย่าให้สองสามชั่วโมงนานแล้ว <c oughs> แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งทําสมาธิ นั่งนั่งอยู่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราหายไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่ไม่ใช่เอ๊ะแต่เท้าเรายังอยู่อ่ะแต่ตัวไม่มีอนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะ เ, เค่ะกำลังของสมาธิบันทีตัวขาดเป็นท่อนๆบางส่วนหายไปที่เหลือแต่แขนข้างเดียวแล้ว เ, เจ้าค่ ะ, คะแล้วก็จะขอการบ้านาหลวงพ่อเจ้าค่ะ คอรู้ทันเวลาใจมนันหนีคิดนะใจมนันฟุงซ่านเลยคือฐานเดิมของเราเป็นคนช่างคิดนะเจ้าคะา่ะถ้าใจมนันหนีไปช่วงนี้ฟุงซ่านบ่อยเจ้าคะ่นะเนื่องจาใจมันนีช่วงนี้ฟุงซานบอยเ<ช> <ขอ S 1> จ้าคะ<อ>่ะเ<อ>น่อใจมันหี่้ฟุงซ่าน่้านองกใหุณเจ้าค่ะเนงากใมันหนรไปช่วงนี้่นอค่ะคืองอกจนนี้ห่วนี้ฟงานบ่ยเด้ดมมาค่ะนื่งจกลมอนห่ะงน้วก็อยเหม่ือนกับพยายามมองดูว่าบยเป็นอง เป็นก้อนก้อนหนึ่งเดินไปแล้วหนูรู้สึกว่าตัวเองอยู่ข้างหลังแล้วมองดูก้อนนี้เดินอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะหลวงได้ทีแรกก็รู้สึกอย่างนั้นได้มันจะรู้สึกว่าไอ้คนดูกับร่างกายที่เดินเนี่ยมันแยกออกจากกันแต่ไม่ต้องแยกให้ห่างนะไ<ะ>ม่จำเป็นว่าต้องถอดจิตออกไปอยู่ไกลๆจงใจดันร่างกายกับจิตออกจากกันอย่างนั้นจะเครียดไป<ะ>แค่รู้สึกว่าร่างกายมันเดินมีใจเป็นคนดูอยู่ตหากนะพอละ บางทีหนูก็ใช้กับตอนที่บางครั้งที่เป็นแบบหนูรู้สึกทุกข์อ่ะค่ะหลวงพ่อบางครั้งจริงๆหนูก็ว่าหนูดูจากคนภายนอกมองมาเหมือนกว่าหนูก็ไม่น่าจะมีความทุกข์อะไรแต่มันมันเหมือนกับตัวเองมันทุกข์เองอ่ะค่ะบางทีรู้สึกเหมือนมันเป็นความโมโหอยู่ข้างในนะมันไม่เป็นกลางเลยนะค่ะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วหนูก็เลยใช้วิธีเดียวกันคือหนูเหมือนกับมองดูว่าก้อนนี้กลังโกรธกาลังเป็นทุกข์ อยังไงได้หรอคะได้เป็นอุบายน ะ, ะเป็นอุบายเบื้องต้นต่อไปไม่ต้องแกล้งดูหรอกแค่เห็นว่ามันทุกข์นะเห็นว่ามันโกวนมันก็ขาดแล้วอืมอย่างเนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมก็ไม่บางทีก็ไม่รู้ตัวค่ะอ ม, มาเดินให้ดูหน่อยสิปกติเดินอย่างนี้หรอจิตเหมือนกันไหมที่เดินที่บ้าน นนเดินที่บ้านหนูจะพยายามจงใจให้มันเหมือนกับว่าเหมือนให้เห็นว่าตัวเองเดินนะคะอืมได้เราทําซิจงใจแรงไปนะอย่างนี้เพ่งนะค่ะ<ฆ>เราดูสบายๆนะลองเดินกลับไปเลยแล้วก็แค่รู้สึกตัวว่ามันเดินอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปบังคับให้มันแข็งแข็งขึ้นมานะเอาละพอค่ะ<ฆ>อย่าไปบังคับมันแต่หนูรู้สึกว่าหนูฟุ้งซ่านมากหนูเลยไม่รู้จะ จะทำยังไงดีอ๋อ ถ, ถ้าฟุ้งมากเพ่งไว้ก่อนอย่างตะกี้ก็ได้นะแต่อย่าเพ่งจนเคยชินนะเีย่ยเพ่งตลอดจะไม่เดินปัญญาค่ะคือเหมือนบางทีคือปล่อยมันไปบ้างใช่ไหมะคะหลงพ่ะก็อย่าให้ผิดสีท่านะจะฟุง้งจะอะไรก็ตามนะแต่ว่าไม่ให้ผิดสีท่าพอแล้วนะไม่ต้องดีตลอดหรอกนะแต่ว่าระหว่างจิตนี้ไปฟุง้งฟุ้งตลอดเวลานะก็เพ่งไว้นะเพ่งไว้ก็ยังดีกว่าค่ะ แล้วคืออยากขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าหนูควรจะฝึกยังไงต่อค่ะหนูเป็นคนโทสะจริตนะค่ะนะมันโทสะมันแรงแล้วก็หนูพยายามดูไปว่ามันไม่ใช่ตัวเราโทสะเนี่ยจะไปเห็นอนาต่าง่ายนั่นดูกายอย่างกายมันเคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเนะมื่อตอนไหนจะช่วยมันคิดนิดหน่อยนี่ที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะหรือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะ ความโกรธเกิดขึ้นนะดูเหมือนดูคนอื่นโกรธน ะ, ะดูแบบดูคนอื่นไปเรื่อยทั้งกายทั้งใจนะไม่หัดดูอย่างนั้นอย่าไปเพ่งค่ะแต่เพ่งเราเครียดเครียดแล้วยิ่งโมโหใหญ่ค่ะแล้วบางทีหนูรู้สึกมันเป็นความโมโหซ้อนความโมโหใช่ค<ม>่ะสิเราไปขี้โมโหนี่ค่ะก็เราไปภาวนาแบบเพ่งๆมันก็ยิ่งโมโหใหญ่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้หนูกลับขอคำมามพระรัตนาตายและกลับขอคมาหลวงพ่อด้วยค่ะ<ม>ข้าพเจคุณค่ะ เห็นไหมเดินขาดสติแล้วเห็นไหม <c oughs> อ้าวว่ามาค่ะกล่าวนมัส ก, การและขอโอกาสนะคะหลวงพ่อคือหนูเห็นว่าจิตมันคิดแล้วก็ปรุงต่างเองได้ะะอ่ะค่ะแล้วบางครั้งมันเกิดความรู้สึกยุบยับยุบยั บ, ยบที่ใจก่อนนะคะเออถูกแล้วแล้วมันค่อยแปลมาแใช่ถูกแล้วมันค่อยร่วมมาเป็นตัวเราอ่ะใช่<ะ>ถูกเป๊้เลยนี่แหละกระบวนการนะมันมันไหว ย, ยับยับนะมันปรุงขึ้นมา แล้วก็สัญญาเข้าไปแปลว่าคิดอะไรปรุงอะไรนะแล้วก็ถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเกิดตัวเราค่ะแต่หนูก็ยังขาดความเป็นกลางอ่ะค่ะใช่ะถูกอีกเออเก่งนี่ไปดูต่อสิแล้วจะเอาอะไรค่ะบางทีหนูมีสมาธิมากๆค่ะเหมือนตัวเรามันหายไปเลยอะค่ะเออได้เป็นเรื่องของสมาธิอย่าว่าแต่ตัวเราแล้วโลกทั้งโลกยังหายไปได้เลยอืม ค่ะข อ, อการบ้านเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ดูให้สบายๆนะอย่างนี้แรงไปแขห น, นุ่นุก่กดนะคะหนุ่ตนเต้นดดกดเรยปล่อยมันนะดูไปอย่างสบายๆดูอย่าที่มันเป็นที่ฝึกหน้าดูได้ละเอียดอยู่แล้วนะแต่ธรรมะไม่ว่าหยาบหรือละเอียดก็สอนอย่างเดียวกันไม่มีเราไอางเก่งแ ม, ม่ทำงานได้เองไอ้ไหวยิบยับก็ไหวขึ้นมาเองไหม ขึ้นมากลางอกเนี่ยไหวแป๊บแป๊บแสัญญาเข้าไปแปลก็แปลเองเราไม่ได้เจตนาจะแปลนะบางทีเจตนาแปลแปลไม่ออกมไม่รู้มันคืออะไรถังไหวๆขึ้นมาพอแปลได้นะจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็สั่งไม่ได้อีกแล้วความรู้สึกมีเราเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะให้มีมันก็มีอีกทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันเป็นเองมันไม่ใช่เราหรอกไปดูไปปล่อยๆนะ สิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญญามันชอบล้ำหน้านะระวังตัวนี้นิดหนึง่งอย่าไปคิดนำยังชอบคิดนำอยู่อนะขอบคุณค่ ะ, ะหมดแล้และนะสำหรับปัจจัยบูชาธรรมที่พวกเราได้ร่วมกันถวายหลวงพ่อนะครับก็หลวงพ่อท่านก็ได้เมตตามอบคืนให้กับมูลนิธิสถาบันสมเด็จเจ้าพยานะครับเพื่อ สร้างตึกผู้บรยนอกของโรงพยาบาลเรานะครับกร่าขอบพรคุณครักษาทุกรับพ่อนะอยนะยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตท่นังเปตานางุปะกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปุเรนตูสังกปา จันทธปันระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีี่คาโยโกภวะอาอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทาปจายโนช ต, ตาโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อขออนุโมทนานะทางโรงพยาบาล ท่านภูมิในการหมอท็อปที่ช่วยกันจัด